ยังมีพวบคุณได้แล้วหรือยังยังไม่เคยเข้ามาครับในตู<ะ>้ครับไม่เคยเข้ามาเพิ่งจะแต่เข้ามาตอนนั้นฝนตกก็เลยเข้าไม่ได้อตอนนี้โอกาสดีแล้วฝนม่นตกก็เลยเข้ามาตู้ครับคนอยู่ข้างล่างก็มีเพิ่มมาสินี่มาจไมีสร้างข้งขงขงขงอเรียนขรงไอน อืมโอ้โเรื่อเข้ามาหาเรองมาทำไมักรอเรียมาข้างหน้าอยู่ที่ใจเอยทำไมดีชั่ววันอยู่ริฟ้าคาเด็กที่ใจครถ้าบุญไว้เจ็บปีเป็นที่พึ้งของใจเลาบาว่าเบืยดเบียนใจนึกเวลาไหนก็เดือดร้อนนึกก่อนที่เราทำไม่ดี ตอนั้นที่เราทามีนึกนึกมาเวลาไหนก็เย็นก็สบายอยางเช้นหวาดก็ดูตัวใจอยากแค้นรุนก็ดูตัวใจพุทาสมก็อยู่ตใจพุโพเปร่าผู้รู้ใจทรรมโอเป่าทรงไว้ซึ่งการรใจสั้งโพแปร่าเขาจะหวดใจพุทธโพพาละช่วทามีทรมโว่าทรงไวเึงะชั่วทามีสั้งโคก็ ปฏิบัติและว่วยทำดีมีความหมายอะไรกันพุทธโธสมองทั้งโถ่อยุติใจหลวงปู่มันเดินโยมกลับไปกลับมาหลวพ่อหลวงพ่อเดินโยมทําไมเดินทําไมกลับไปกลับมาไม่ื่อยหรือหลงพ่อไม่เนื่อยหรอกพุทโเราหาเดินหาพุตัวเราเห็นไหมหลวงพ่อเห็นเห็นแล้วเดี๋ยวนี้ เห็นยล้วก็ยิ่งดีแกก็ยิ่งเดินยิ่งเดินน่รื้ถึงพุทโธพุทโธอยู่ที่ใจเห็นก็เห็นอยู่ที่ใจเงนี้ยหายก็หายออกจากใจเห็นก็เห็นอยู่ที่ใจนั่นพูดแบบนั้พูดเพื่อให้ชวนคิดเพื่อให้ตชวนดูใจพู้ถึงพุทธศาสนาเป็นผู้มีว่าสนามาถ้าวรามีแก่ข้ามาแล้ว จังยินดีในพระพุทธศาสนาผู้ยังที่ไม่ยินดีใน พ, พุทธศาสนาก็คือหลอกวัวอยู่ใต้หน้ามันเองก็คือคนตาฟานั่นเองให้ผลเขีมมันก็สมไม่ได้ผู้ที่เชื่อพุทธศาสนาก็คือคนตาดีให้ผลเขีมก็ผลได้พระนเนสโนราโง ต้นเป็นทพึ่งของตนใจก็ เ, เป็นทพึ่งของใจทําก็เป็นทพึ่งของธํามพวกมีความหมายอันเดียวกันอยู่ที่ดวงใจวุญญานณิสารโลคสมมิ่งวุญญเป็นที่พึ่งของสัตว์สงายในโลกนี้ในโลกหน้าบาปเป็นที่เบียดเบียนของสัตว์สงายในโลกนี้ในโลกหน้นนนนาเบียดเบียนจิตใจเมื่อเป็นที่อยู่ที่กินที่นอนไม่อบอุ่นเป็นความเดือร้อน สลผลบุญที่เราทำแล้วนชยอบอุ่นใจนึกถึงเวลาไหนก็มาเดือดร้อนการงานอนไดที่ทำแล้วด้วยกายวิจยใจเดือดร้อนภายหลังอยากทำเนี้อจ่บลงมาตัดเลการงานอนไดที่เราทาแล้วด้วยกายวิจายใจแล้วมาเดือดร้อนนั่นแหละคือบุญบุญยังโจเลงสู่ห่ง บุญโจรนําไปไม่ได้ไม่ว่าแต่โจรไม่ว่าแต่บุญบาปโจรก็นํานไปไม่ได้ของใครของมันของใครไหวกระมันใจทําบุญแล้วบุญก็อยู่ที่ใจถ้าหูจมูกริ้นมารักเอาไปไม่ได้กายก็รักเอาไปไม่ได้วาจาเคารักเอาบุญไปไม่ได้รักเอาบุญออกจากใจไม่ได้ ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นนายทุเนเพราะเงินก็อยู่ที่นายทุนลูกค้าจะไปเอาก็ไม่ได้ถ้านายทุนไม่ให้ใจเขาเหมือนกันเใจเผู้แบ่งการใจผู้ทําดีทำชั่วเพราะคนบ้าใบเสียสิริพิจมนุษย์ก็ทําทบุญไม่ได้เรื่องใส้พระพุทธธรรมสนเพื่อเป็น สอนของพูธศาศาสนาสอนเ่องต้นสอนให้ธรรมะอย่างสีเียทในทางที่ชอบสอนเ่องกลางสอนให้แบ่งเวลาออกทำภพสมบูรณ์บ้างสอนเรล่ออนให้รีบเร่งที่สุดเปนี่รียบเนื้อเรีบเนื้อเรียบเแล้เวมดเวลาแล้เวลานี้เวลาสายันตะวันลงลิธิ์ดีรับเหลือมภูเขาและขอบฟ้าเยี๋อโมอนาพิง เรียบธมบุญเชล่ธนไม่เป็นที่พึ่งของตนในพบนี้และพบหน้าในอย่างยิ่งคือพระนิพพานํำสอนแต่แล้วรรบาทข้าก็ว่าบอรมีศาสนาล่องนี้กมาเถิดลูกอานเอ๋อยพ่อข้ามาแล้วสังนี้เป็นสังที่จเจริญเป็นสังที่ไม่มีเวรเป็นสังที่ไม่มีไฟ ไม่มีเรียนนี้มีภัยไม่มีศัตรูไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมาเถิดลูกวานเอ๋ยมาเถิดลูกวานเอ๋ยถ้าใครเขาว่าคําสอนแต่ระบบาตรต้องเรียกอยู่ไม่มีกลาวันกลางคืนนะแต่พวกเราไม่ทําคนเป็นคนหูหนวกตาบอดเราเป็นคนหูดีตาดีได้ยินเสียงองค์ท่านร้องบอกอยู่ตามคําอสอนทุกๆุกคำสอนเลย ก็จะรื้อเอาพวกเราออกจากว่าตาทองสามให้ไปพระนิพานด้วยเบ่งให้คนอื่นเข้ามาอยู่ด้วยผู <c oughs> ้ผู้ที่เขารอคิวเขาจะมาแทนเราก็มีพรวกพันสักเสจารณ์เขาก็รอคิวอยู่เขาจะมาอยู่มาแทนมนุษย์กับเราแล้วเขาจะไปเป็นแทวบุตรเสนาไปอินเดียชมไปพรหาหันพวกพวกเราเป็นไปก่อนก็ต้องไปก่อนเขาคนไปทางมาดพรนิพาน ก็เป็นส้ายไปของใครเข้ามารพเกไปซายมารบขอเป็นซ้ายไปของใครเข้ามันมันไม่หัวหน้าอยู่ทุกทุกคนทุกแห่งว่ะหัวหน้าคนโจรก็มีหัวหน้าคนพามันก็มีแล้หัวหน้ารักษาก็มีนั่นทุกสิ่็ทุกอย่างมีหัวหน้าหมดมันพาไปหัวหน้าภายนอกก็คือคนหัวหน้าภายในก็คือใจของใครเข้ามันอเดี๋ยวนี้ใจของเรามี็หัวหน้าเป็นหัวหน้าไปทางบุญ ไปทั้งบาปเราไปมามากแล้วเราไม่อยากไปคือไม่อยากไปทางบุญเพราะเหตุไหนเรื่องเพังเพราะจิตใจของเราเป็นผู้บาบามาแล้ ว, ยวยนย่ค่ะว่าดิวหาผู้หลาดิเด็มีทิศสางไหมนอกเทีบก็คือใจถึงว่าพุทธธรรมประสงค์ทําทียบพอใจถึงวาพุธธรรมประสงค์อาหารเทียบก็คืออาหารพระพุธทธธรรมประสงค์นั่นเองนั่น พุทโธนป่แฝงออกชอบแฝงอยู่พุทธมรรคันจะภาวนาไปเนาะขึ้นรถขึ้นเรือเพย่อภาวนาพุทโธก็ภาวนาพุทโธเพื่อภาวนาสัมมาอรัองก็สัมมาอะรังก็มีความหมายอันเดียวกันน่าที่แฝแล้วพุทโธธรรมโมทัโธ ก, ก็อยู่ด้วยกันพุทโธเป็ น, ออนเอากษรย่อใครกับเราเห็นหน้าก็าเห็นตาทาันแต่เราไม่อธิบายเคยเห็นหน้ากันไหมเคยเห็นอยู่ เคยจำหน้าได้เคยจำพุทธโธได้กับธรโมก็อยู่ที่นั่นพอสังโขเขาอยู่ที่นเหมือนกันจับหนังก็ถูกเมื่อถูกกระดูกเหมือนกันแล้วจะว่าจับเสียงมันก็ไม่ถูกถูกทั้งเมื่อทั้งกระดูกนั <c oughs> ่นเหมือนกันเราว่าพุทธโธเราวนนึกถึงพุทธโธธรมโมและโขเขาอยู่ด้วยกันก็เป็นเชือกสามเกลียวอรวมกันนี่านี่เชือกสามเกลียวเชือกสามเกลียวก้อมกันพัดเขา่าสำภาคภาคในสารพาโบราณเกลียวกันองนี้ พอกระจายแล้วเปันเชือกสอบเสียวขนาดนี้ัะเชือกสองเี้ยวอันนี้ยู่โปู่ยุทธาลครับฮะหลวงปู่ยุทธาครับอ่าเดียวไอ้ผลวงป่เรียกนะเดี๋ยวไอ้ผูกเรียกนะนายผูกนะอายุเจ็ดสิบแปดปีนี่ฮะเด็กนีนรางวัลที่แรกห้สิบสี่ เอาห้าจ pues ุดส okay. uh, so nah ี่ไปลบด้วยสามจุดสองก็เป็นอายุ78ดจุดแปเจ็ดจุแปดถูกไหมเจ็ดจุแปดเตรียมตัวจะตายได้แล้วปูค่ะ ที่วนเราปลราฟังเสียงเราห้าที่สี่รถสองคันสามรเท่าไหร่ครับรถรถอะไรออกกัเออกกินขนมหรอออกข้เรนี่นี่รถรบปูหลอกโวกหลอกหวานไปพระนิพานด้วยหลอกขึ้นสวรรค์หลอกขึนสวรรค์ไปสวรรค์ที่ฟาไม่ได้หลอกกินขนมไม่ได้หลอก ก็พระบอกเลกบอกขานหลอกจริงขนมเขาพระแพร่ฟองขาวก็เหมือนกันพะระหลอกจริงขนมเขาพระเรียกอะไรก็พะระหลอกจริงขนมเขาพระฝันอืมพระทิพพ่ามันนอนว่ามันฝันมันไม่ภาวนาเพร ะ, ะฝันมันพระไม่ภาวนาพระทิว่าฝันอย่างนั้นอย่างนี้ แต่บางทีเขาก็ไม่ถือกันทำไได้กันนะเคไหมจะาบลาด่าไปุก็ุบปเออสรแล้วเแล้วเออเสร็จแล้วาซุบเสาเลี้ยงใหญ่ได้เสียขาถาผู้อดต้งหัวทั้งลวอ๋อไอ้หนูหายไปอ๋น้ำที่งูเสี้ยมันเป็นเจ้าเนื้อข้มปากวายนไง้อปากาย พวกปากพวกยำพวกยำเก่งอะโอ้แมนว่าคุณตีมาลกกด้วกันอแก้ลงมาลกวปากเลยพว่าอเนี้ยไม่ก่อนภาไปขนมองสาวสองคนมาลูกพวกปากทั้งสองแมกปากยำเก่งแล้วแมงยำ่งพวกอะไระแมาไส้แมงไ้เกงอยู่อาจารย์ค่ะอพด็เป็นคู่เลยจ้อยเนี่ย คนเนทมานุี่ไหนนูนีกระชาม้านี่เอาไว้เลยค่ะาเยี่ยมดูขาบังคับนของมาอำยูค่ะนุงขานเลมื่อคุณไม่ได้บอกโดนบุกมาค่ะ้ามันพูดไปขนาดไหไปทไหแตู่จะบอกว่าน้อยออรกเนี่ย่นุ่รักษกา้นพากะเดนรกษากมรออหรือารกา์ม่สบรณอยังนี่ข้าได้เขาไปตาคอยู่นั่งทนั่งท่นั่งที่ไนอยู่ด้วยจะไปหอดวางสภาพรอหอดอยู่เกินจะหอดอะไรไปข สาวนหนุ่ลยคุณอ่านัสืออเคยอ่งสือร้องคุเวกระเป๋าเอยกระงไปาไปย้าไหนคือกครนี่ยบ้าม่อวันเนี่ยตอนนั่งเล่อนไปนั่ตเวลาตอนนั้นลุงคุณเออดูร้านต่อหนางานมือนึ่งเหรออ่นวห่้างมองนีครัโอ้ล้ออนึ่เนี่ยบ้าโอ้หนังสือท่นยังบอกเขียนไว้เนี่ยไม่เห็นเหร ม่เห็นนะคือขรกแต่เพื่อนอ่านคนอัานอยู่เรื่องผู้หนึ่งหมอขัดจังเล่คือมีคนแต่คนที่แก้วว่าแล้วซื้อพตายมือร้อยข้าะมันนั่งประมาทด้วาฉันงทุกร่มให้แั่เขาออกอันนี้เท่าที่ท่านทุกร่มให้แต่เขาออกแล้วรัฐบาลยานบอกวยั้งเป็นมา้ามัตายมาก็ตายเป็นมา แม่บุญครับแม่บุญมได้ยาก้อนเลยที่หน่ได้ต่าเยอะมากมาเกิดทั้งว่าย่าเยมกิดเปย่าใหได้ก็ได้ต้องกา่ล่ด้ยกวอย่เหมือนเดียกันาารรนเมื่อมาไกลผู้สา้จอคนเยงานวันนัน อืมสาผ้าปารถรถมันบ ah, yeah. ah, ุกยิเ้ไรพี่รถมันบุกย yeah. ิ่งใต้วะไรผมรถรถเล่มมนมันยาิดี่ผมปูมาอยู่นี่ต้องท๊นหารอยผมเดี๋ยวต้อง่เห็นยางหอกไม่จะโกงยางเต็มเสือกเต้มนมอนหารอยรลาย เดี๋ยวนี้แน่ระวังสามสิบอปีนเปลี่ยนหลายกว่านี้หวันเปล่เดี๋ยวก็เห็นมัดอีกจัก50าสิบปีเนี่ยห่วยประเทศไทยเน่ยนั่งตะพูกคนร้นอ่ะนั่งตะพูกคนรอนนะครับนหมายสี่ต่อไม่ได้นีถต่ำไม้อะ ไ, ไรมอเมอรบนอยู่เสียงประยุ่ยส มันก็เ <that> ีนข like ึ่นเมยุน้ำพู้เขาผิดอ่ะตีนพูดตีนเขาเนี่ยมันก็ตั้งในเสี่เดียวนี่แหละโคหรม้ซ40ีเม็ดเลยทั้งโดนไปตั้งในยับไม่ละมื่นนี้วันยูถิผยุสัยนกูเขาร้งเรียนรัฐการที่6กคน14ีซีหลานเศษไม่กอ ประเทศไทยมีสี่ล้านลุกขึ้นตอบกหนึเขาก็ลุกขึ้นตอบถึสี่ล้านเศษัดก็สั่นสะทื่อละ <c oughs> เดี๋ยนี้มันท่าได้ล้านเนียเหรออ้หงนดินสองเกาอยู่ในวันจ้าส่องสังคือแพรหร้ายกว่าเน็กกระซังแพร่้างแพ้มากเพื่อตายกันอะคนห้อเท่าได้ล้านก็นตามเถะ นี่ต่มือล้านจะตายต่างมือล้านก็แก้ต่างมือล้านเก็บต่างมือล้านตายต่างมือล้านแม่นน้ำตายจะสร้างก็ตตองตายกันศาสร์และเทือร์บอกพรท่านเอะอันเท่ามาตายกับบ่หมี่เท่ากาแก้กับ่หมี่เทําบเก็บกับบ่มี่เท่าบาตายกับ่มี่คนแก่คนเก็บคนตายกับมาจากคนเกิดเองนะคนเกิดมาจากไสมาจากกิเลสปัญหา มาจากพืชมันกล้ามันมาจากไส่มาจากข้าวปูแต่เมื่อข้าวปูมันกับว่ามากม็นเกิดมันก็มาจากข้าวปูเขาโรคเขาโกงเขาร้งน่ะนีโรคมี่โกงนี่ร้องยอะะมันกับนี่พืชนี่ันมันก็มาเกิดเยอะมะแกมะแกมะตายวนเวียนในวัตาุท้องฟาอันนี้แล้วว่เป็นละแล้วเป็นนึ่งแก้มข้ออกข้าห้องอ่ะได้แค่ถุงไปไว้ที่ี่ละมั้มันไหลเรียนดอเดียวไว้ประคุณของวันหมดนี่ท้องฟ้า่ะ เทาปรได้ว๋วไหวผาได้เทาไหวซาดคนเขาเคารพศาดคนซาตว่าจะยูน้าผาได้ว่ายูน้ำช่งศาดได้ช่งศาดอะาดขยโยน้าคนเทายื้อน้ำขแต่ละคนเขารบศาดเลเขารบเทาเนี่ยเ่าของมันศาตได้ผามันว่มันซาดด้ผ่าผ่าสามสี่เนเขารบช่งาดเออสี่ราดคนาสีพระหากัตร์บอกสี่ซาดบอก วิศว์คณะพระมหาศัีเหมนต้งสามจีั่นจะเฮ็ดเป็นเครื่องหม้เชื่อนไอลึกถึงศาสตร์ลึกถึงศาตร์การให้เขาไปหรืลึกถึงต้นมาเจอแล้วลึกถึงเอียงเปลนบอกระเสริตัวบอสะอาตัวปอตะดม่ได้ยืน้าตัวบอสละอาตัวปอตะกดคนยน้หัวใจห้เานี่บุญกับว่ามันยนตัวบอสะตัวยอผู้หญิงยืดหน้หัวใจหเาเพื่อรเข้าสารเพือนควบดีก็ยืดหัวใจให้เข้าควบัวก็ยืหัวใจหเา มือได้เป็นมือดีพี่สันมือได้เป็นวันดีมือนีพี่สันมือนี้วันดีวันดีมันโยกับยึดกับใจเขาเข้าอันยึดใจเข้าดีมันจ็ดี ท, ท, ทั้งยึดใจเข้าซัวมากซัวขนาดนี้มันมเป็นน้าวันจะเป็นตัววันสวัดดีปีใหม่พนะี่สันแล้วสวัดดีปีใหม่เนะี่ยางไกลสุตายก็เปิดใจนี่ทีว่าเนยะส <c oughs> สวัดดีปีเก่าพี่ันอ่ ะ, ะมันหนาเป็น ร, บรอบๆมันคือรลอรุ ม้าเป็นหลุมห่อวันทิศกับวันข้าวพูดพราะฮัตซุกเขาคือกันว่ากันว่าเป็นหอบมหล่ันสมมุติเท่าคนเท่าตายในวันทวดเจ็บเถอะเมื่อตายวันที่กับวัดจันอังข้าวพูดพราะฮัตซุกเสาเมื่อวันไหนกันวันหนึ่งน่ะนับเวียนกันไปเวียนกันมาอยู่นับจะสายมากเป็นวันทวดเจ็บคือกันนับจะวันจันกับไปหาวันจันนาเป็นวันทวดเจ็๊บคือกันนับจะวันอังค้ากับไปหาวันอังข้านาเป็นวันทวดเจี๊ยบคือกันจะวันไหนกัน น้าเจ้วัดเสาเนี่ยก็วัดเสาหนาับวันถดเก็ขึ้นกันน่าวันทิพนี่ไปหาท้าวันทิดย์หนาไปวันถวดเกศขึ้นกันยานข้าพระฟาฮซุกเขา็คือกันหมดปีขึอกันข้าพเจ้าเป็นปีสวดข้าพเจ้าเป็นปีสรุ้ปีค้านหอมอโลมาเสียงมาเม่ามาเม่ามออร์กจอคุณชาวบ้านใช้ซื้อข้าพเจ้าข้าพเจ้าสี่ปล่อยเวทเทียนแท่งแน่สมัครกบด้ว่าหนังพญานาคิตราดไปใอยซื้อตาหูจะมุงตีนกาน พนักคิดตราดไปซื้อพนักานคิดตราดม่้เซซื้อให้กับซื้อจัาของใจใจใจนตัวละไรนี่ยโคตรอหัวจับของทำว่าลูกเท่าใจกับรทุกท่าใจนอกจากใจว่าไม่ีอันไหนจะมาลูกนอกจากใจว่าไม่อันไหสจะทดีนอกจากใจว่ไม่อันไหสจะําตัวเพราใจเป็นหัวหน้าอันไหก็เทใจ้ทใจสัจิไมอนพาเหี้งันเขาว่าให้เขาสะว่าให้ลบกูค่า ก็เอ้ไง่ะว่าใจใจละท่านไปม่อนพระมาให้ยังละ่านเอใจเพียงเฮ็ดบุญเอาใจเพียง่ะแต่ว่าคนตายไปมันเป็นบ่พระว่าท่นโท่าท่นแล้วบาคนใจมันปเฮ็ดบุญคนตายด้วเฮ็ดบุญเป็นห่ว่ามันมี่จะสกก็คือว่าวิญญาณมายหันว่มันเฮ็ดบาปเป็นหม่วมันกับมีเสวิตจะสักมอย่หันวิญญาณปายุบอื่นหรอวคตตายเปนเฮ็ดบุญก็เป็นเฮ็ดบาปว่เปลนในว่าวิญญาณมายุบรรอื่นหรอวะนี่จะสักดินน้ไฟ่มหันวา เขาขว่าสะบอกมันแปลี่ะเขาบอกนี่ว่าที่ใจทีใจแล้วเสร็จเปลืม่นภมาให้ยังไงคนตายไล้เปลือมันเป็ีนบมดใจถ้าภาพไปว่าเสียน่ะห้องว่างสิข้าห้องว่างเนี่ยเฮ็ดดีเฮ็ดัวมันไปเป็นเฟรมผู้จักกับที่ใจต้องเป็นู้จักกันนะมันติดตัวมันมันติดตัวได้บมตัวใจ ไหนมันถามมันมึงรู้ใจเอ้ยเ้าเคยได้สั่งน้ำทำบุญไหวบอเราเคยได้ให้ท่านรัาสินท้งคนนัเสียบอทันใจเคยได้เฮ็ดไร่เคยได้ผ้าขายก็าหวใจเฮ็ดไร่มันก็จอดตอมันได้มันบม่เคยได้เฮ็ดไรมันก็ตอมันได้มันจะตัวมันไม่ก็ตัวมาได้ไปดูตัวมันได้นักพิโรเกล้าของนามอะความรับไม่มีในโลกเฮ็ดบุญมันกับว่ารับเพ็บาปมันกับ่ารับเพ็ดดีกับว่ารับเ็ตัวกับ่รับข้อใจของ้จัเล่ ให้บุญแล้วกับไปเใจให้บาปแล้วกไปเยอใจนห้บุญบ้านนะท่นบ้านกับผเอากับไม่บ้านใจนะไป็ผู้เอาให้ราปชบ้านนะ่นบ้านกับผเอากไม่บ้านใจนะเป็นผู้เอาบ้านให้บุญสร้องสะพานสะพานกับผู้เอาไะเจิมรถด่นลอดต้อเก็บบุญนักสื่ออย่างนี้อย่ง้จะเจิมหัวใจขนนไงล่ะให้ครับหลวงดี มันถึงจกขี่หันมี้ยังไปเที่ยวรวดเพชรพ่นพ่นมองกละมันแจ่งไปชุดทางเทศธรรมทศกบซื้อห้ามเดลตะเคียนหอมเดลอะไรขอเดี๋ยวาใจค้นมันเป็นตาแ้งเขาจะไปแ้งมืึอมันเป็นตาขับเร่จะไปขับเรวฝางแดงๆมานั่งใกล้ไปเนิ่นแค่เขาแลนหลัมันตายแล้วเสนาม น่เจ <c oughs> <laughs> <c oughs> ิมรถาวางที่ท่านรับร so ok ับควรได้หรอขาประกายเขาเอามือไปควักเขาเน่ยหละมันวัดตายเลยเจิมรถหลานว่าสวาอันนี้เสดีจกับพวกมาไล่ท่านนะจะไปสิ่งเขาจะไปแห่เขาท่จะไปขึ้นนาเขาท่น ขึ้นนาเขาอย่งในบมเมนตัมส่นนนทแต่ห้าสองคนเท่านั้นเาะแย่งกันเล่นันนั้นลขั้นอื่นมากเไม่เสังขั้นอื่นมากก็ม่ทัอังหรไมีทัอขนนามีสงมัต่ากันนั่นวตายกันนั่นวะก็จะแย่งหนเลกันนั้นเลหาเปิดห้าห้าแรงลอยเงสิ้เขาก็ลอยเยี่สิกันลอยสามสิเขาก็สามสิ้กันสิ้นกี้แย่งกันยุ่งสิ้นก็จะขึ้นนากันได้ขั้นอื่นก็มี่มี่ส่วนนอ้าผู้ขาเดียวบอกว่าข้างวางสิกัง่ร มากมากตำนะครับแต่ว่นานี่ก็เจอรถรถสัมภาร์สินะขันพระไปนั่งกระทั่หัวนี่ยอะหว่างขันพระไปนั่งรูมันอันคูกัปรถเอรถอสเนี่ยยสุดยอดขาลอบาใสเคือื้อฝาหลายว่าสัากิดกินเือกล้วยกิไปใส่นงอกมาใส่หัวพระอ่านว่าานี่ก็เจอรถ้องัง เขาลืมจึงเรื่องของรถเขาดันเอาให้เขาแน่ท่านังจุดเตี้ยงของเขาอันนี้ก็เจือรถก็ท่นต่อว่าโชว์เจอรถกครือมูอหรอกเจือร่มสีคือกันเจมเคืองมือทกเขาหาบเขาขิดทุกม่ามาหาบเนี่ยถือว่าขีดข้ามไปตีไฟไปตีใส่เขาแน่ไปสีเขาแด่่านนี่ก็จนี่ก็เจอรมสีว่า่นอ่นเอามาเจอคืองมูอเลยเขาเจอมันสิเขาเขานันจะเห็นถังมันมุนร้ายวะท่น น้าเอไปให้เขาขเขาให้มันมุนก็เลี้ยงหมูมัเจ็บหายตายนั่นอันนี้ก็เจอบ l o อันนี้ก็เจิบ l o d ตีว่าสัาานน <c oughs> อ, อกอ่ะพีเขาบอกเขาเขาก็ไม่ฝากเลยเขาก็งออยู่อันเจอมัอนจะฟัดจะแปลนั่นจับชุนก็มากเสียบใหาา้มันชกกระปรงก็สันนอกอ่ะโอ้ยประโยชน์เนี้ยเลยหมอนึงเนี้ขับรถอยู่เมือหกเ ด, ดือนบ ส, สองปีม่นเปี่อยงจักเือคลับก็บสันผมน่ ว่าแต่แขึ้นรถว่าจะตีคอยรถสิออกหรอกคนลราเร่ยถึงคุณพ่อคุณแม่เหมือนมาโตอยู่ในอันตรายเหมือนถึงคุณผู้บ่าอาจารย์นะสะอันมือหมุนพวกมาไล่กับตีนอยู่กับพุทธโธ่หมอัอนอว่าไปยังจะเที่ยวรถกขหน่อยอนรถเขาหว่าท่านโดนเหมือนกดเจียงเหงยอกกรมตำรวจเือ น, นเขาเอาไปเหมน รถก่นห่อยว่เป็นยังรสั่นขาน่อยว่าแข็งทั้งพถ่ายเลยขน่อยแข็งทั้งทุกภาพเลยสั่นอุบายใดมันจะปลอดภัยนั่นเป็นวิชาของขาน่อยสั่นขาหนอนเบลีย์สั่นแข็งทั้งพื้นายองอาจสั่นขำว่าเพิ่นดนขับรถเพิ่นในขี่รถมอเตอร์ไซค์ใส่กระโปงุมหัวใส่เราใส่แว่นตาดำใส่เราพกเบิ่งผู้ใดสั่น เพิ่นบึงไปแต่ไม่ทัดอนแต่แต่างางเมองกันแม่ร้อนเห็นพระเขาไว้สักผีได้เพิ่นรั้วลกขาเพิ่นจึงออกซะห่ะเขาก็เจียหลังเพิ่นก่ะท่งเลี้ยวเบิ่งแนมเนี่ยห้อหูล้อตาอะไรไม่มีมารยาทเพือข่าพืไปเท่าเพิ่นเบิ่งตัวมันบงบงีมันะรยางมันถิ่ไปไจากบาดนอกบักนีคือเพิ่งไปแต่นอ ก็พราะานโดด น, นี่เพบาต่บนนึงกับบนนึงมันสูข้อมดีข้ามอะไรรอกแต่ไหนก็อต่งบัตสูข้อมดีข้ามอะไรไหนเงี้ยเดือนหน่วยอยาหัวมันคูข้อมดีเขาก็มดีสูมันหมอ น, นึงเป็นกบปลามผมมันเดือนน่ยสหัวมั น, านเาพอดีเขาหามะ ผู้คนถึนเดือนวันันนนางงเกันันอันนึงนนึงเขา่อยบ็งเ้ได้อนานั้นมตัวจะมุตัวไเป็นงานบอฮะหีบพโอ้ไปมุกบ่เออไปมุกตัวนั้น นั่งสูได้อวะนั่าดูค่ะก็เคยดูไก่ดูก็เคยเห็นน้องปูแลเจ้าองหินมากาไม่บาทเลยเห็นิมก่านีด้วยนกลางเใช่บ้านเกิดมางอนนี่ใสอยุบยุบปดค่ะนั่งมันดนี่เนอมันพูดนลยเฮ้ยเกิดว่าไก่เนาะยุคคำสีพอเห็นน้องปูยัเทียมมันกระพวดไปมียุบนกันยังเมนนาะพก็ะหายมา สองสามคืองหาน้ต้ันขอ้ไอไนะรกปช่วปไปมอันนีอเครยครียแ พราะเอาห้าสิบสี่ไปลบลอยสามสิเอ็ดเนี่ยอย่าไปซื้อเรียกเนอะย้๊มยึดหมายตายเนอะเจ็ดสิบเจ็ดปูเนาะเจ็ดสิบเจ็ดพระองคขพรออย่างแคมาขอาดังหลวงปู่นะพ่อพู้พระธรรมประสงค์ลาบคือว่าพูดพระธรรมประสงค์เดียวลาดัหลวงปู่ในกาลเวลากลวงปนี่ถ้าพรอพูดพระธรรมประสงค์ อาบาอบายมุขมันไม่มีหรอกมันชิ้วหายอยู่เส้นหน้าเส้งฝาเขาเรียกว่ามุขขามุขขาแปลว่าชิ้หายอยู่พึ่งหน้าพึ่งขาถ้าบรมว่าสากร้อนเทเว้นอยู่ที่ที่เมืองไหนก็พบอยู่ที่เมืองใจพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ที่ที่นั้งความดีความชั่วเขาอยู่ที่เมืองใจ หาไปหามาเขาพบอยู่ที่ดวงใจหลวงพ่มันเดินจงกรมต่อไปกลับมาหลวงพ่อหลวงพ่อเดินทําไมเราเดินหาพุทโธของเราพุทโธของเราหายเหเด็กเขาถาม <c oughs> เห็นไหมหลวงพ่อเห็นไหม <c oughs> เห็นเห็นอยู่ที่ใดเห็นอยู่ที่ดวงใจเวลาเห็น เวลาหายควาออกจากดวงใจพูดนะครหาเห็นก็เห็นอยู่ที่นั้นบูดนะเหมือนกันบาปก็เห็นอยู่ที่ดวงใจบุญก็เห็นอยู่ที่ดวงใจทําดีแล้วก็ประโยชนที่ดวงใจทําชั่วแล้วก็ยุประโยชน์ที่ดวงใจเพราะใจเป็นผู้ทำใ้เป็นที่พึ่งของใจทําเป็นทพึ่งของทำตนเป็นทพึ้นของตนก็มีความหมายอันเดียวกันวโนธาบวโนใจวโนธรรม ก็คู่ใจทำดีบ่อยใจก็สูงขึ้นบ่อยทำชั่วบ่อยใจก็ต่ำลงบ่อยทำดีเขาไปบวกดีอยู่ที่ใจทำชั่วเขาไปบวกชั่วอยู่ที่ใจเพอาใจเป็นผู้ทาถ้าทำดีมากเวลาตายก็ไปหาทางดีดีก็ทำพอแล้วชั่วคละพอแล้วก็เข้าสู่คอนิพานไปสักนาน ดีก็ทำํำแล้วชั่วเขาพอละพอแล้วเมื่อทําดีพอแล้วชั่วละไปเองไม่ต้องทาท่าทาทางละชั่วอีกเมื่อทําดีพอแล้วชั่วขอบมันมีชีวอยู่มันมีชีวิตอยู่ในดวงใจก็มีแต่ความดีอยู่ในดวงใจเพราะเข้าสู่พระนฟพานไม่มาสืบแก่เชิดใจยอยีก เห็นเกิดเป็นท ra ุกข์ทางนัคิเดียวก็เห็นโลกแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยเกิดเป็นทุกข์เห็นแก่เป็นทุกข์ทางนคิเดียวก็เห็นโลกแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยแก่ยับตายของมบัติสั่งโลกโกรหลงสมบังิั่งเห็นสิ่งที่ไม่เปรียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสมบัติสั่งก็เห็นโลกรอบแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยสิ่งเทียมเปรียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไมงใช่ตัวตัวเราเขาเห็นดินน้ำไฟลมชัด ก็เห็นโลกแทกเหมือนกันเพราะโลกก็มีด้วยดินน้าไฟลมถ้าไมหลงดินหลงน้าหลงไฟหลงลมก็ไม่หลงโรกเหมือนกันดินน้าไฟลมายคือตาหูโสงรต้วกายน้ำนามังเพลชื่อมันย่อใจพระพุทธศาสนาสอนให้เบื่อนายเกิดแก่เกิบตายอยมักเกิดแก่เกิดตาอีกนึกพุทมัสศาสนาพุทโธมสศาสนาสอนลูกหลาน ลูกห้านเอ๋ยมาเถิดจะพาการอยู่ในอู่ของแก่เกิดตายทราบฝั่งทะเลเกิดทะเลเกศทะเลเก็บทะเลตายมาด้วยพุทธคำสงสารเสียนภาวนา เ, นเสีน้อพระวโรนาชาติลามาเถิดมาเถิดจะทรบาบก็ว่าเรียกร้องเราอยู่ไม่มีราวันรางกินคาสอนแจกราวัลระบาดบางคาองค์ท่านก็ว่าลูกหลานบางคาองค์ท่านก็ว่าสูทั้งหลา คำว่าสูก็ามายความคุ้นเชื่ออวามคุ้นเชื่อของโพงพูดแบบคนตัวเองเขาจะพอสูวราชีพอท่านทั้งหลายราชีพอเธอทั้งหลายราชีาท่านพูดเขาพูดยังไงท่านก็ไม่มีราชีกับพวกเราเพราะท่านทรงพระมหาเมตตากับพวกเราพระบรมสาราีร้างสอนใดๆในใจโรกธาตุย่อเป็นเมืองขึ้นของมุขทศาติทัน้หมด เส้ยทิพจะมีกี่ล้านล้านก็เชี่ยวไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดในกายโลกาธาเขาเชี่ยวไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นเชี่ยวขึ้นไปในทางคุณพุทธธรรมสงฆ์พุทธธรรมสงฆ์เป็นพระพุทธศาสนาเลิศกว่าศาสนาใดทั้งปวงในโลก ส่วนผู้ที่เคารพรล้มันเคารพนั่นก็ขึ้นดูแต่และบุคคลพระพุทธศาสานาเป็นของกลางเป็นธรรมอันกลางจึงทรงพรนามว่ส า, าสัสนาเปียวมนุษย์สานังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์สงายไม่ได้ลำเอียงกับใครเลยโลกเขาทวนผู้รูกแจ้งโลกเหมืนหนอนไอจังคณะชิยดยวรู้แจ้งโลกแล้ว เราจะรู้แจ้งว่าเราสเพียงไหนก็ตามเราเรียกว่าสาวโกโลกวมิทูเรียกว่าสาวิกาโลกัมภิทูเพราะเราไม่ได้พระพุทธเป็นพระสมาสมรพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเป็นพระประเจดพุทธะสี่จำพวกสมาสัมพุทธะจำพวกหนึ example, uh ่งพระเจดกับพระุทธจำพวกหนึ่งสาวกสาวิกาพุทธะจำพวกหนึ่งเรียกว่าพุทธะสี่จำพวกแต่พวกเราจะเก่งสะเพียงนั้นก็ตามเป็นสมาสัมพพุทธะ ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพระมากัมผัสเป็นสาวะโคพุทธเป็นสาวกาพุทธะพระป่าธนาเป็นสาวกสาวิกาไม่ได้ป่าธนาเป็นพระพักตร์เจกถึงจะมีเขาเป็นส่วนน้อยพระพักตเจกสาวกก็เหมือนกันเอาพระธรรมมาพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันถึงจะมีว่าว่าข้อมีเป็นส่วนน้อยแต่เป็นทาอันเดียวกัน ไปที่ไหนเขไปขพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธธรรมสงฆ์อยู่ที่ใจไมันอยู่ที่อื่นใจเอ๋ยเธอได้ทําความดีบ้างไหมถ้าใจได้ทําใจกโกหกพวกลมใจไม่ได้ถ้าใจไม่ได้ทำใจโกหกพวกลมใจก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะักที่โลภีระหัวนามะาความลับมันมีในโลกเพราะมันมีความรับ ใจนึกอะไรใจก็รู้จักอยใจไม่นึกอะไรใจพอรู้จักอยู่ถามใจใจต่อใจถามกันจะ่มาถามหูมันก็ไม่รู้จักอีหนูอีนี่มาถามตามันก็ไม่รู้จักอีหนูอีนี่ตาเอ๋ยตา เ, ا, เธอเป็นสมบัติของข้าหรือปฏิเสธมันก็ไม่ปฏิเสธรับมันก็ไม่รับหูเอ๋ยเธอเป็นสมบัติของข้าหรือมันก็ไม่ตอบมันก็ไม่ปัดอีก ข, ข้างต่างจมูกเลี้ยงกาย ข, ข้างนกัน ทีน่นี่ใจไม่มีใครใสรใส่ชื่อหรือนามให้ตนเองว่าใส่ชื่อห่าใจใจใจใจถ้าไม่รู้เข้าใจก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจถ้ารู้เข้าใจตอนไหนใจตอนนั้นก็ไม่เปทุกข์นั่นฉะนั้นพระพุทธาศาสนาใจยิจ่แก้ที่รวงใจถ้าใจมาหลงตาหตูจมูกเลี้ยงกายไม่ใช่ตาหตูจมูกเลี้ยงกายไปหลงใจหมายว่าโรคภายในโรคภายนอก ผลกเสีงกินรสปุถพระธรมมารมณ์โลกภายนอกของเราอีก่นยังมีอีกที่พระบุรมาศาสดตราญนติโลกสัตโลกโลกคือหมู่สัตว์มนุษย์โลกและแก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกและแก่ชะกาลมาพระเจ้าหกชั้นพรหมโลกและแก่รูปภพคือหกชั้นกับอรูปภพสี่ชั้นรูปภพโลกย่อลงมาเป็นสอง ย่อนลงมาเป็นรูปประโรคอรูปประโรคย่อนลงมาเป็นสองอีกรูปธรรมอรู ป, ประธรรมโลกย่อนลงมาเป็นสองอีกคือรูปสังขาร น, นามสังขารมีความมายเดียวกัน แ, แต่ขึ้นแรแปลพวงแล้วแปลสายเท่านั้นแล้วพอโลกท้าป ว, วงย่อดลงมาในสังขารโลกสังขาราพราหมณ์ทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งโลกเป็นทุกอย่างยิ่ง อ น, นิจจังเป็นทุกอย่างยิ่งทุกเป็นทุกอย่างยิ่งอนัตตาเป็นทุกอย่างยิ่งต้อมีความว่าเดียวกันสอนให้เคลาบในทุกให้ข้ามทะเลทุกให้ข้ามทะเลหลงพุทธธรรมสงฆ์พาข้ามทะเลหลงด้วยพระปัญญาเราลืมตาข้อเพื่อข้ามทะเลเมืดนะ ปัญญาในพระพุธธรรมพร ะ, ระงสงฆ์เสอนใหข้ามทะเลลงทะเลมืดให้เข้าสู่เขนิพพานไปเสียเพราะเนี่ยมนุษย์โลกเทวโลกพมโลกต่างๆเหล่านี้ทั้งหลายเห ล, าหลาา่านี้เป็นสังขารโลกย่นลงมาเป็นสังขารโลกพระพโลกพระพวงย่นลงมาเป็นสังขารโลกสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งโลกเป็นทุกอย่างยิ่งอันนี้จักรมนทุกอย่างยิ่งทุกขังอนัตตาเป็นทุกอย่างยิ่งตรงนี้ความหมายเดียวกัมมน เมื่อเห็นทุกก็คือตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาอยู่ในตัวแล้วเมื่อเบื่อหน่ายหรือคกายทุกเอื้อมละอาในทุกก็คือเอื้อมละอาในวัดตาสงสารเพราะียวราเห็นทำเข้าไปอีกละนานเข้านานเข้าก็เบื่อหน่ายใครมาในวัดตาสงสารไม่อยากมาเกิดแียเกียรติอีกเลยไม่มาเป็นทาสความหลงของตนอีกเลยข้ามทะเลหลงไปด้วยความไม่หลง ยินดีในพระพุทธศาสนาคณะกิจเดียวยังยินดีกว่าศาสนาอื่นตั้งแต่ล่างคณะกิจเห็นภายในวัาตาทั้งสารขณะกิจเดียวยังยินดีกว่าเห็นเพลินในโลกทั้งปวงและล่างคณะกิจอีกเห็นเพลินในโลกทั้งปวงรับเพลินในรุ่สามเพลิงก็มีความหมายเดียวกันเพิ่งแก่เพิ่เก็บเพิ่ตาย พระพุทธศาสราสอนให้ออมะอาะในความเกิดแก่เกียบตายสอนต้นต้นสอนใ้ธรรมะเร่ชีวิตในทาวิชบไม่ได้สอนให้เล่นเล็กเนะาะพากันยุดเล็กเนาะสิ่หา ย, หายตายนี่ให้ก่อนเนาะคาวาอิวาภูราปุลกุลนิชาคลังนีวุยวุ่นตัวทีนังเฟยานางงกับาพติ อิสิตังปุสิตังตัววันจุดตัวเมื่อวันจุดตัวตระเวนคู่เร้นตัวตั้งขปะจันโตกนาราสูยะธาเมณิโสทีระโสยะธาตัธีติโยวาชนัสลพุทโธตัธิโยตุโรโควินาทตัตุมังเทพบัตวันตรายโยตุธีติชายโยโภโอะอภิวาตรสีตานิจังโนต้าปัญโยยะตาโรธรรมาวัชานติอายนทุกังังสะพะพุทธานุภาเวนะสะพะธรรมานุภาเวนะสะพะทัศนานุภาเวนะ พุตนรรมตนาขั้นพรังจินนรตนานอานุภาเวนะจตุรัสีทิฏฐิธมสันตาราเวนะทิฏฐกัปตยานุภาเวนะจินสาลกานุภาเวนะจเพเทโรขาจเพเทยเพอันฑรายาพเพเอุปัฏวาจเพเทุนเมมิตาเพเอวมังคาวีนะตุอายุวัตตะโปตะาธนวัตตโปตตา ีดวัตโะคตการยาวัตโะคตการภะวัตโคตกาวันณวัตโะคตกาสทุตาวัตโะคตการโอตุสปะตาทุคโรคัพเทียเวราโสการัตตุจุปัสวาอะเนกาอันตรายาปิมีนักสันตุเจติสาทยสิทธิพนังลาภังโสธีพาสยังโสังปรังสิริอายุจะวันโนจะโผขัง วุตีเสยสวะสตาวัฏจะอายุจะชีวะสิทีพวันตุเตหวัตุสะพมังคังหักันเถสะปฏวตาสัพพุตานุภาเวนะสจาโสถีพวันตุเตหวัตุสัพมังคังรลักันเถสะปฏิวตาสัพพตมานุภาเวนะาโสถีพวันตุเตหวตุสัพมังคังหักันเถสะเทวตาสภาสรานุภาเวนะ ตาโสสีควันทุเตยอยู่ทุกนาฬิกามันเถิทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลัดทั้งตื่นดรงเจริญยนงเยีเ่ยมขึ้นไปในทางทีขขง่ชอบเหมือนดังพระจันทร์วันข้างขึ้นแล้วไม่กลับมาเรียมอีกอยู่ทุกขะนั่นเถิพุโทโธธรรมะโพนิศาอนนาอาอ น, อ, น อ, อ, อ่านาอ่านอ่านอ่านอานออ่านานา ตับลามอไม่ไมด้ซือเอามาล้วก่นรอกถามีโอกาสน่าจะได้มามากรูถือว่าถือว่าถือว่าคนบุญมาพบกันพวกเราเป็นคนบุญมาพบกันพบบุญเขาเขาไปหาบุญพบบากว่าเขาาไว่าไหบ้างที่ดินมันยังไปไม่เอะไม่ฝาที่ดินมันยังเน้อ อืไปเลยไม่หมดเลยไปเลยให้พระพุทธนามาส่งแล้วก็ต้องไปก็เอาต้องการพุทโธก็เอาต้องการพิจารณาความตายก็ต้องการพิจารณาเกศาโลมาณาสาดันตาโจกมรมฐาน้าก็เอาแล้วแต่ความสะดวกพิจารณาต้องพิจารณาความตายเพราะอารมณ์ใจเขาออกอกก็เอาแล้วแต่ความสะดวกให้เลือกเอา กรรมฐานใะกรรมฐานหนึ่งฐานะตัวที่ตั้งอย่ ท, ที่สกปรกกายอืกระดูกท่านในท่านหนึ่งก็ได้พิจารณาหรือสิ่งไหนที่สกระปกโฉมมุมก็ใพิจารณาสิ่งนั้นให้สังเกตดูใจคิดใจของเราว่าจิตใจของเรามันหนักไปอะไรถ้ามันหนักปรทางลืมหลงชอบนึกชอบตึกชอบวิจารณ์ก็ให้กําหนดลงให้ใจเขาออถ้ามันชอบโกดง่าย ก็ให้เหว่าเมตตาว่าตนก็ไม่ชอบผู้อื่นก็ไม่ชอบถ้ามันเชื่อพูดได้ว่าบุญคุณโทษมันเชื่อเชื่อง่ายเชื่อคนง่ายค่อยเจอินเวลาภาวนาพุทโธเน้อเป็นใหญ่ที่ผมติดอยู่สิดด้วยราคาปัญหาส่วนใหญ่เมื่อคราเมื่อเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เราพอไปเห็นพวกนี้มันเกิดการกลุ่มใจเออไม่ยากใช่ไหมตอนนี้เราจะแบบหาทางละกัน เนยสกุลในรน่างกายของเรามันโซกกระปกโซมุมอะไรแล้วก็ทอเพอนอะไรนั่นเพอนอสุภาพถ้าถ้ามาไหวถ้ายังไม่ไหวนี่แล้วก็สมมุติเอากระโหลกหัวผีมอแขวนคอไว้มันชอบหยาบแล้วก็ต้องเอาหยาบมันถ้าอย่งั้นก็สมมตุติว่าเรานอนดูอย่างนี้แล้วก็เอากระโหลกหัวกระโหลกหัวผีมานอนดมอย่างนี้มันก็คล้องมาควายบันเทาไปหรอก ใไรๆเขต้องเป็นอยนอ่ะผู้ผู้ผูลาข่าจริตเนี่ยตัวนี้ตัวร้ายลาข่ า, าจริตมันจิบไปเข้ามันจิบไปหาผู้หญิงถูกไหมมันไป ต, ตองแปก่อนเขาไปหาเขาเองไปหาเขาเอง <c oughs> เออชนสนเข้าในตูดเขาใช่ไหมนี่แหละครับ <c oughs> ตัวนี้ตัวร้ายมันรายมันนเข้าไปในตูดเขาถูกไหมเออหน่กเร็จเอา <c oughs> ที่ไหนมันก็ปกมากเลยเอามาเพ่งถ้าอย่างนั้นสมมติเอาเราเอาไส้นี่มาคล้องคอของเราต่างสายส้อยสังวานอะไรหรือคล้องคอเดินนุกมือหรือนั่งภาวนาอันนี้แค่จะปฏิบัติที่นีก็ต้องแต่งชุดีตประทัดนะต้องใช้ชุดี่ประทัดนะครับผมอยากได้ไหมไม่ต้องเขาไม่เาเป็นปัญหาเราเปัญหาเอาใจของเราเขาละพอ นุ ai, ่งอะไรเขาม่เป็นปัญหาหรอกว่าต yup. ั้งใจว่าถ้าอยู่ได้ก็จะออกบวชไปเลยตั้งใจอย่างนี้เพราะว่าเดินทางร่วงมามากแล้วที่เบื่อแล้วเบื่อเพระว่าไม่เห็นมีอเราแสวงหาอไปก็ไม่ได้อะไรที่ไหนที่สุดของมันก็คือทุกอยู่นั่นแหละผมก็เห็นแล้วอันเป็นด้านสัญญาไม่ใช่ธรรมะอันนี้เป็นดานสัญญาคือมองเห็นแล้วสิ่งที้ผมก็ไปทำงานชาวอุมาหกปี เมื่อแล้วครับหัวเบื่อแล้วได้เงินมามากมายก็เท่านั้นแะครับก็ได้ความรู้สึกว่าอ่านประทางนี้ายกว่าเขาตือยู่เราไปเดี๋ยวก็ต้องแต่งงานพอแต่งงานแล้วมันก็เป็นห่วงยาวไปแล้วเราแต่งงานก็งานก็เยอะขึ้นงานก็เยอะต้องไปเจอมันต้องสร้างภาระห่วงอะไรขึ้นไปด้วยแต่ว่าปฏิปทานในทีนี้ว่าพระคลองข่ายคองมันเนอะไม่ได้รวมกันเนอะ ภาวนาเขาก็ไม <ítulo> ่ไดรวมกันภาวนาว่าพระของใครของมันเดินนุ่คงของใครขอนแต่มาให้กระทบกระเทือนท่านผู้อื่นได้แต่นโมก็กราบแต่นโมได้แต่พุทโธธโมทั้งโคก็กราบแต่พุทโธธโมทังปูให้หนักในภาวนาเป็นหอไม่ได้เอากระต่ายก่อนที่เราจะเคล่อเยอะไปเขาเขาจะไม่เอาไปก่อนหรือล่ะเขารูจักไหมล่ะนั่งไปไปไป พ่อรู้ดีโยวาวัตตาสงสารนี่เต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยความเกิดเป็นเต็มไปด้วยความแก่เต็มไปด้วยความเจ็บเต็มไปด้วยความตายเต็มไปด้วยความนิยวกับากเต็มไปด้วยความปรารสนาบอไไ้สมหวังสิ่งมโนนี้มันมาเต็มอยู่คิดอยู่ใจเฮาเพรคิดใจเฮาเป็นผู้รู้จักภาพโพธทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเมื่อเป็นเร่งสัน้น แล้วกมีหนทางอันไหนมีหนทางแต่เอาพรพุทธพระธรรมพระสงฆ์สองลงในใจใหายเลิกก็แผ่นดินหนาสองแสนสี่มื่นโยชน์พนแผ่นดินหนาสองแสนสี่มื่นโยชน์หนูระเบิดปรมาณูเขาทําลายแตกบุคคลผู้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วซึ่งเป็นอาจารและรัทธารัทธาประบอกเวท ศรัทธาในโลกุตละศรัทธาเชื่อมั่นในคุณพระคุณเพระธรรมเพระสงฆ์ว่าเป็นธรรมที่ธรรมสั่งสอนของสัตว์ทั้งหลายเป็นนิย่านี้กระทำนําสัตว์ออกจากวัตทุก์ทั้งปวงนีพธานวัตศีลวัตภาวนาวัตเป็นต้นท่านาวัตศีลวัดภาวนาวัตววววของเฮาเต็มตุ้นแล้วยุดไม้ไปลายทางของเฮาพระเจ้าเข่าซูพระนิพาน เดี๋ยวนี้ท่านวัดศีลวัดพ่อวนาวัดของเฮานั่งบกพร่องรูทัาจึงได้มาท่องเที่ยวในวัดตาสงสารเพื่อสั่งขอไชในจิตในใจในมโนกุกพังของเฮาขันท่านวัดศีลวัดพ่าวนาวัดแ ก, ก่ก่าเขามาในจิตในใจเฮาถลายยึดใจเฮากันับวันจักรสนะข่มหลงจักรสนะข่มพื้นในวัดตาสงสารไปขันนตะว่า ทานวัดศรีลวัดภาวนาวัดของเฮ้ายังไม่ท่านเต็มเที่ยงไหนเฮ้าก็มีนาที่สี่สามไปตะพื้นตะพือนผู้ไปฮอดไหายที่สุดก็คือฮอดในชาสตร์นี่ผู้ขันที่สองก็คือภาะียาเมศไตยผู้ขันที่สามที่สีที่หาที่เก้าที่ร้อยที่หมื่นที่โกดที่ลาดที่ตื้นติวเสลียวติวกับพระพุทธเจ้าองค์หลังเป็นลาดับไปอืม เดี่ยววันนั้นมันจังไหนก็ต้องไปบันเดียวกันมดคิดว่าแต่ประกอไปหลังเท่านั้นไปพระนิพานเนี่อพอวกที่ไปพระนิพานแล้วน่ะมากว่าเม็ดหินเม็ดทรายในยทองมหาสมุรทรซีมหาสมุทรผู้เกียมตัวจักไปก็เหมือนกันเออผู้ไปแล้วกว็เหมือนกัน <c oughs> ดอกบัวซีเราเราที่อยู่ใต้น้ําก็ต้องไปที่หลัง ก็ต้องบานที่หลังดีบ่ดีบ่าบานพอเป็นพักษาแห้งป่าและเตาดอกที่เสมอนา้าก็มีวันจักบานดอกเป็นตูมดอกที่บานแล้วก็บานเต็มพุ่มดอกบัว ว, ว่ามีแน่แต่ขังพุทธการเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่น้ำมวยข้อน่ะดอกบัวกอเดียว ดอกบัวก่อเดียวหนึ่งไม้ขั้วมาคนอยู่ในโลกแต่ละดอกไม้ขั้วมาแต่ละไลยของบุคคลดอกบานกระดานเต็มพุ่มคือผู้บาอาจารย์ผู้พ้นพ้นไปแล้วดอกตูมกระตูมเต็มพุ่มคือผู้ตะเกียบตะกายจากรุดจากคนอยู่ดอกเสมอน้ากับเสมอน้าเต็มพุ่มคือกําลังเล่งให้เล่งให้ท่านรักษาสิ่งภาวนาอยู่ดอกยื้ใจหน้ากับอุปมาพูด คือผูเถือว่ามีบุญมีบาปซุกเอาเผากิน เ, เจอก้างว่าได้ว่าเพราะยังเหมือนม้อนอนทการอยู่พวกมูเฮ้ามันก็อยู่ในระวางดอกที่เสมอหนามและกำลังเป็นตูมครู่าอาจารย์ผู้คนปฏิบัติเคียงขัดคนๆไปแล้วเหมือนดอกบวชที่บานอยู่ในปัจจุบันนี้เองปัจจุบันนี้ผู้น้นๆไปแล้วก็มีอยู่ ว่าใดนิยมการว่าใดนิยมเวลาอากาลิโกผูก้ใดทําบุญยามใดก็เป็นบุญยามนั้นผู้ใดนัาบาปย่มใดก็เป็นบาปย่ำนั่นย่ำใดยามของคิตดของใจบาปมันกับบาปยุ่ยใจบุญมันกับบุญยุ่ใจทําบุญแล้วก็ล่งไปยุ่ใจหันว่ได้ไปยุ่ยบนอื่นข้างสมบัติพัฒสถานที่ห้าเอาไปฝากไว้ อันนั้นจะชมุมวัดพัฒสถานภายนอกอกอันนันมีหลายพ่อโจรศิลักพอเขาที่ปนพรอเขาทิ่ขี้ไส้ระพัดจึ้งฝาคั่งไว้เรียกว่าสังหาริมาทรัพย์ส่วนอสังหาริมาทรเปลือกสวนไหหน้าของเฮ้าก็อยู่ตามเดิมสวิญญาณก็ทรัพย์ทรัพย์ที่มีวิญญาณก็ดีอญญสังญาริมาทรทรที่บุมีวิญญาณก็ดีทรัพย์ภายนอกมือนี่ เป็นของมาแ น, นโนนโจรหะละโนโนิธิโจรละเอาไปก็ได้สร้อยไม้ก็เป็นพลาซ่าริบเอาไปได้ท่านเอาไปฝังไว้ในาน้ากระนาคุดทุวันเตเอาไปกินฝังไว้ในขีดินก็พูดทีปีศาจเอาไปบุคคนผู้ฝังคุ้มรั์ไว้ในท่านวัดศีลวัดพาวนาวัดเป็นคุ้มรัพ์ภายใน อนุขาเม่นี่ติดตามตนไปทั้งในภพนี่และภพหนาและยังยิ่งคือพระนิพพานเดี๋ยวนี่เข้าจองคิวพระนิพพานแล้วสี่หอดสาสตร์ได้พบได้กับว่ได้วา่าผู้ปัญญาไว้ก็ต้อหอดศาสตร์นี่มาคาดีแลนชวงมาคาหักมุกมา ค, คือผู้สามบารมีแก่ก้าแล้วก็ต้องแลนออกกรผู้สามผู้ท่านก้ามุปมาคือมาคาดีไปก่อน บอโลการท่องเที่ยวในวัดตาสงสารเขาว่ามีการสงสัยดอกนี่ตะเกิดแก่เก็บตายม่อมึงอดีตก็เกิดแก่เก็บตายเทืองมาแล้วม่อมึงอนาคตเกิเกิดแก่เก็บตายบพท่านมาเถิมมอ่อยู่ในปัจจุบันก็เกิดแก่เก็บตายที่กําลัางเปลนอยู่ม่อมึงอดีตกับอนิจจังทุกครั้งอนัตตาที่ล่วงไปแล้ว มองเบื้องอนาคตกันนิจจังทุกครังอานาตตาที่พระทัานมาเถิงมองเบื้งปัจจุบันกัอนิจจังทุกครั้งอนาตตาที่กําลังเป็นอยู่เขาเห็นความตายขณะคิดหนึ่งเขาไปเห็นรอบโลกพอโลกเต็มไปด้วยความตายเขาบ่ต้องสงสัยโลกอีกบืนไปสงสัยอีกก็เรียกว่าเห็นบ่อชัดก็เรียกว่าเห็นตามที่เคยได้ฟังมาเห็นตามความจำที่ฟังมาถ้าเห็นชัดๆแล้วก็บ่ต้องสงสัย เห็นโคตเจ็บขณะนึงก็เห็นโลกรอบหนึ่งเห็นโคตตายคณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งเห็นข้อมวันว่เทียงคณะคิดนึงก็เห็นโลกรอบหนึ่งเห็เมื่อโลกทั้งหลายเต็มไปแต่กองทุกข์จังซีแล้วห้อทั้งหลายก็หมอนสิมาสะสมควอมหลงไว้ในโลกควอมหลงสีว่และอาลาถอยออกจากจิตตาสันดานมันก็บุ่นี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 มันซอแสดงเห็นทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งศีลสมดุลกันอยู่แล้วเรียกว่าสมาธิหรือศีล ส, สมาธิปัญญากลมกืนกันคันเห็นจังสิว่ามันสมาธิหัวต่อต่ามันสมาธิรับตาสมาธิมีปัญญาสัมพยพยุตเมื่อเห็นรอบขอบได้สิงเหล่านี่แล้วว่าเกิดว่ามีควอมสงสัยในวัฏสงสารทั้งปวงแล้วให้เขาแม้ทักพักเส้นหนึ่ง ก็มีแต่หวังจากพ้นจากคว่ำหลงจากของสิ่งเดียวเท่านั้นว่าได้หวังว่าจะมาเกิดแก่เก็บตายอีกขอให้พ้นไปเสียโดยดวนขันบ่ดวนกับญาติสุขให้พ้นจากสภาวะสิยาเมตตายไปหรือพระเจ้าสิพระองค์นี้อืมถ้าพูดมาไหวก็ยุว่าได้ผู้ใดพี่จะน่าทุกเป็นอารมณ์ผอมกับลมหายใจเขาออกยูกว่าดีผู้ใดพี่จะน่าอนิจจังผอมกับลมหายใจเขาออกกว่าดี ผู้พี่จ้าน้าอนัตตาเป็นจะซักกว่าสังขารถ้ำเป็นจะซักกว่ากองทุกในวัฏสงสารอันนี้โ่เมนสัตว์บมเมนบุคคลมีแต่กองทุกหล่ล้วนอโลดพี่จะน้าอยู่บ่มีกังเว้นกังคืนบุคคลผู้นั้นอยู่ว่าได้บ่มีวิญญาณปฏิสนธิสิปฏิทั้งอยู่บัไบ น, น, น, บนไดนนักเขานักเข่าตายเมื่อแล้วก็เข่าสูพนี้พานโหลดบ่ได้ล่อสะเออบุ้ยไฟสิไ ป, ปดึงไว้ได้บุ้พยพืได้ไปหามไว้ได้เออ ไปสินี่กดเกณฑ์ไปหามข่มเบื่อข่มนายว่มค่ายข่มหม้ของสัตว์ของคนได้เมื่อมันพ่อของใครของแม่มันก็ต้องไปของคนเกิดมาในโลกนี่มันวไดียยวระดับเดียวกันผู้สางบาลมีมากเกือบเต็มตื่นแล้วก็มีผู้ที่ไปในซาบนี่ก็มีผู้ที่ถึงพระสสดา์บันสิสัพทาขามีอาณาคามีก็มีพระพุทธเจ้าทั้งหลายบริเวห้องบริสัทธ์บริว่านหวมกันอยู่บางพระ อ, องค์เป็น พระอนาคามีไฟโยสั่นเอาวิหาอาตัตปาสุทธิสาสุทธศีพระท่านในเขาสูพระนิพพานก็มีพระพุทธเจ้าของเฮาหายตัวแวบไปเข้าเดียวอยู่ป่ามหาวันขึ้นปสุท ธ, ธาวาทท่านมาอยู่นี่แต่น่านปัญใดแต่ว่าเฮาหูจักท่านแล้วแต่เฮาจากถามท่านท่านจะตอบโกงกับค่ำของเฮาไหมพระพุทธเจ้าของเฮาอเรารู้จักท่านแล้วท่านมาที่ไซแล้วก็รู้จักแล้ว ท่านมาแต่พระเจ้าองค์ไหนเราก็รู้จักท่านแล้วแต่เราจะถามท่านท่านจะตอบโก่งข้ามของเราไหมออโอ้ยกับผมนี่ <c oughs> ละกา ม, มา่าล่มมาถึงแจะขังพระเจ้า <c oughs> กัจจปะออกา ม, มา่าล่มขาดไปแล้วยังแต่โมหะล่มน้อยเดียวหนึ่งจึงได้มาเป็นพระอนาคามีอยู่นี่หลายกลับหลายกันแล้วาไปถามแต่ระดับระดับเพระ บางพระองค์ยู่แแ้ปางพระโกคูสันโธ่กับนี่ต่ปางพระอโนมาทัด ส, สีก็มี่เพราะอายุในอวิหาอัตปาสุตสาสุต ส, สีมันยืนหลายกลับหลายกันเออ <c oughs> เส่นแม่พระเจ้าห้องเฮ้าเอานี่กระปาธนาเป็นแม่พระพุทธเจ้ามาตั้งแต่พระเจ้าที่ปองก่อนเออ แล้วมาเป็นแม่พระกัคคูสันโธแล้วก็ออกจากแม่พระกัคคูสันโธแล้วมาเป็นโกลนาคโมโนออกจากแม่เป็นแม่โกลนาคโมโนแล้วสิมามาเป็นพระเจ้ากัมาเป็นแม่พระเจ้าคัจโปลเหลือมาเป็นแม่พระเจ้าโคตโมย่งอีกองหนึง่งเป็นแม่พระศิยเมตไตแล้วจกักได้เข้าวซูเพระนิ่พาอหัวก็ได้พระโสดาบัน วางพระพุทธเจ้าคือประเทศโปรตวสแนดาวดึงพระโคตมะคือประเทศเท็ดอเมร์ม่์เนี่ยพระโสดาบันยั่งยู้เดียวนี้่ออยังมาท่านเนี่ยเขาชู้พระนิพานยั่งสิตเป็นแม่พระพุทธเจ้าอีกองคหนึ่งยุสกันนี่ปัญหาสอดเขามาว่าพระโสดาบันแต่จักได้มาสางฆร า, า ด, ดอกหรือ